เมืองยังจันทร์พี่น้องเก่าเมืองหนองคายของหงส์สะพานทองไกลเรียบร้อยคอยถามเมนบ่หงคอยทาเมนบ่หงถึงเมืองเรา แล้วสะพานทองสองฝั่งน้มงามแต่า ง, งานของไทยลาวเงาประมาณสองพันสี่รอยเมตรสวาสุดกาเจ้ามีรถยนต์รถไฟวิ่งไปมาท่้งทีตรงหาัดทาจอมมณีดิ่งไปทางฝั่งสายนาแรีงป่านแตงเอาถึงยังจันพุลธเจ้ามิตรภาพไทยลาวขาวพระป่านเดือนเข็นเดนนาภาตาแจงแข็งยังจันร้านสร้างหลวงพระบางรถยนต์แรง เซนสนุกทุกภาวนาภาษาเสือฟังคงสะพานท้องกงคงนงเครื่องไม้บงสายสัมพันธ์เป็นประวัติเดจารึกสวรารันเลนรลอนวางชิลาลงตังฟังเข็มเป็นลึกถือ ก, กระผลบอกใบลงตังฟังนาทีได้เลือก ง, งามย่ำนี้ยี่สิพ่อย่อปีพ่อสอพุทธศกร่วงไก่มาแลว้ววางเป็นแนวสะพานกว้างปีพ่อสอ 2, 34, สองพัาร้อามี่งสปีเสร็จเดียบรอย คอยทาโลบ่อนั้นมิตรภาพบอกทันสะพานซื่อมีความหมายลายเงินตาธนาบัตรนับเป็นเส้นพันล้านรัฐบาลลงทุนสร้างร่วมกันทั้งสามศาสตร์ประวัติศาสตร์จารึกไปไปเท่าสุวราณศาสตร์ที่หนึ่งบอกท่นมีซื่อว่าใหเล่นได้ว่างแผ็นนโยบายกายสะพานการสัาง สาตว์ที่สองเป็นกลางให้เงินตา30มจิบหลานเป็นดรอทรามาซอยอดสเตเลียเดอร์ขน้อยค่อยสร้างให้ยัางดีชาตวที่สมมหาหมิตรเหล่านี้เมืองน้องพีไทยเฮาได้ลงเสาฝังเข็มหวอมกันขันสร้างลางรถไฟก็มีพร้อมถึงยังจันแจีงสว่างสัตว์ของเล่าทางที่ได้เวดางบักแตียงสางน้วยไปพลละเดอพี่น้องเมืองยังจัดเนอร์พคําสาบแนวให้สีขดได้จองเวนพลละเดอ พ่นคอบเข็มเว้นกับบนพ่นทำนายใบจอตัวคุณสิบอกให้หินฟูงูงไงทาง่างสร้างเถือกกระไดมาเขาสู่เยี่ยงแผน่นดินเล่าสิหเกียงเสมอดังกองไส้ ดำสิไก่เป็นเขาเต่าขึ้นโง่คงดงเสือเขียวเที่ยวทางสวดจำปังแถวทองยางเมืองฝังสามพญาเศร้าญาติบ้านตีตอนไัยพลพญานาคกันสีพลนสองฝ oh ั oh ่ง oh ริม oh ห้องจูด oh บังไฟใสโยโฮกัดงันก้องของมีเมืองคุนคำพญ่าทําสิมาราหาดใสฟ้องฝั่งน้าเป็นหัวหำใกล้ไปโคงเขียดไทยถูกัว้าวเมืองสีหงเฮองกันหมดตั้งแต่เนื้อจุดใตยแม่น้ำ ขคงขวั้งขันสายสัมพันธ์อันยิ่งไงค่วมพี่น้องเล่าให้ผูกไม่ตีสอ่งฟังน้ำได้หัวยาเขาส่กันสนามรบว่านั่นโลกได้เปลี่ยนแย่นกับเศ้าจับปืนถืออาวุธเพี่ยนเป็นการขาการไปมาหาเยี่ยมสัพันธ์ท่องหลดยนไส้บ่กขัดข้องหองใจเป็นเมืองง่ายแลนองในเที่ยวยืงแม่นยองยามสวยวุ่นงำ วายวายนแล้วประชาชนสองฝั่งน้มหดี่เที่ยวทองหากันผูกสัมพันธ์ทําหมมิดซื้อตรงของที่แม่นาที่สะพานหามไปมาหลดยนตย์ไตเรียกแม่โขงยงใหญ่ตั้งแต่เหนือหอดไตไปเท่าสูขารเมนพนมเป็นกะเรียด ร, ร้อยเย็นซุมสงบสซึก ย้อนขมิเล่าให้สียูเย็นบ๊อบิ่นหอนอินโดจีนคนสีหอนพ่อสีสามหอมถาดอิงหั่งถาดผานมทั้งถาดว้วงกสิเหลี่อมค้นนอมมัสการกําไฟด้านแข้งเขตอัตตะปื้อหลาะเมืองคงเจียมปางสู่ทั้งเล่าไตไปทั้งกัมผิวดำขมิตนดำเข็นฝ่ากัแเศษสิวทิวใไม่ไพ่ขจีมีน้ำโขงไหลเหลี้ยวกอดอยหอยที่เสียงน้ำตุ่ลีผีคขอนกว่าเพลงดังเค็งในเลิงยำเบิกมอง เป็นบ้านพีเมืองน้องค้องเก่าแต่โบราณมาสมานความหักสู่ข้นจนใดสนามใช้ข้นขอนปัดพุ่มขอนหายโศกแถวเมืองวุฒิลปามโมกสุขุมมาอยู่ฝากน้ำตรงคําฝังไทยเมืองตุ้มล้านอยู่ไก่ในขีดสารวันเมืองตาอุ๋ยเมืองสะมอ ย, อยู่ระดอยคไอยจรองแข็งเสของอยู่ทั้งกํา บ, บูรพาตะวันดอกเข็นแต่มหมออกมือัวาขวานว่าไม่ไพสร้างเมืองเวียดนามอยู่ขอบทางตะวันดอกบุรพาจิตกับเมืองกระลุมตอแก แขวไตไปทั้งแคว้นแดนแก้วไม่ลมแวงเป็นข้องสังสิ้นใต่นำเอาอาต่กีได้เล็วสู่ยักษ์สาไปย่ำยับด้แม่ป้าพวกน้องพี่ดีเสมอเส้นย่ายาถามข้าวขาวสังถึงบ้านแข้งสวรรค์เสพผลความเสบังไฟแข้งคำวันส่วนมาย่ำพวกขน้อยสิคอยทาอยู่ฝั่งไทยพามทาใไดกระไดมาแลเปลี่ยนผ้านิด แขงบริกรรไซ่ป่าตัดดิ่งลิมนำผู้สาวงามปันแต็มเมืองปากสันตันปองเมืองยังท่องอยู่ส่งส่งตรงคำต่อแดนแขวงเซียงขวงเขตแขนเมืองงอกเมืองคุ้มติดกับเมืองส้ำเหนือต่อแดนเมืองสุยแข้งหัวพันทั้งหาซ้ำเหนือติดต่อเมืองเซียงก่ออยู่สงส่งตรงคำหมอกเจ้าเวียดนามเหนือภูหล้เจ้าอยู่ติดเขตพรมแดนเมืองยังท่องซ้ำเหนือต่อหลวงพระบางพุนเมืองผู้คุณนผู้คอยเมืองง้อยเมืองใหม่เมืองส้ำท้องรองแจง แข่งบ้านย่านไกลเดียนเบียนฟูอยู่ไก้ติดเขตดฟ้องสลีพงไ้หินอัศจรรย์ดังอินแปงสางว่างยังไล่ใหญ่กันไวจักเหม็นไผมาตัวแต่งพอลงเอนิน น, นี่บอกเพื่นว่าบอลคุณล้อสะนะแล้วเบิดเหาต่างมืนไหดูทิ้นใต้ติดเขตดฟองสไลอินโดจนีนสงบสึกงิดเสียงปืนแล้วเป็นเมืองร่องเมืองแก้วไปมาหาสู่เศรษฐกิจสิเฟืองฟูอินโดจนีนสิเกานะ่าลุงปาจังเบิงเอาลุงปาจังเบิงเอาใส่เป็ดเงา โอ้ยลามโอ้ยลน ที่คงขันเมืองเลียงจันสะพานกายเมืองทบหนองคายจอมมาณีอยู่ฝั่งน้ำจอมมาณีอยู่ฝั่งน้ำสงงามหายไก่สะพานสังงามหายไก่สะพานงงาหาาานวานข้าลมเอ้ย สวันท้องสองฝั่งน้ำงามตะงานป่านสวนรรค์พ่อแม่เอ๋ยแข่งยังจัน้องขายไกลสะพานไปแล้วเป็นเมืองท้องเมืองแก้วลิมขงตั้งสองฝั่งสายแม่น้ำอุทกังบอมีงามสิ่งอัตแห่แงไหลเลื่อไอดอกเลยใสเปียบประดุดดังไดคือจังสายไกสองฝั่งกวัวลาาวไทยดังสายนาที่น้ำ จิตใจตรงกันขามใสงามพ่อป่านแว่นแมนละเด้อบาดนี้ทำน้ายไหวดอกแมนน่นจิงได้ยินแต่คนว้าเท่าเกาโบราณว่าสิมีสะพานทองของงามพ่อป่านแต้มเล่ากับไทยสีหัวแยมแนมดูเดอ้อพ่อไงหาบคือหน้ากองใช้จอต้อคุณเพิ่นบอกไ้พว่วมสิจอว่า ม, มา พวกไฟฟ้าสองฟังลิมนาทีสิยูดีกินดีบอไดบีไพ่หายทั้งเชียงไล่เชียงลุงเชีงเยงแสนเดนตํ้แถวสามเหลี่ยมท่องคำเศรษฐกิจสิก้าวนาขายค่าเบิ้งบ่อเป็นทั้งฟังเล่ากระตื้นเต้นเต้นเต้นจนตลอดทอดเมืองจีน ถึงสิบสองปันนาตอกันฮอดเงียนมาโง่ลงมาทางใต้เสียงตุงคุ้งป่าหลวงน้ำท่าโอเกลแถวนามดอกเบคุ้งเมืองเสียงของอยู่ทรงทรงทรงทรงฝากฟังทางขวาเมืองเสียงคำเสียงกลางได้อยู่ทางไทยพี่เขาขี่ลี่ววงขันปิดกันกันระวางอันเพอปวัวทงสรางอยู่ทางกำดอกโตเด่นลอเขดเชนเด่นดานทางเมืองไทย ให้ขามไปหากันดอกท่งขายสินค้าถ้าบัางผาให้เอื้อเฟื้อทั้งอำเภอบ่อเกือสันติสุขทุกทีแถวเมืองนานในสุขีขามไปมาคานพี่น้องทั้งกำแม่แกลิมเจ้ายามิดอิ่มสิมคือเก่า ค, คือหลังสะพานทองน้องคายกายเฮียงจันแหลวอุตรดิตฐ์หน้าแขวแถวลำน้ำปาดชาติการด้านทรายใหญ่ตั้งตาฟังเมือง บ้านลมเก่าเศ้าไม่เลื่องเห็นสุมสามาชีบ้านอาฮีท่าดีนี้ปากไล่าสายนามไส้บุรีตรงกันขามอย่าลืมคำบุญสวงสั่งโนอแม่นอ ให้คือเกา่าคือหลังเดอ้อพอลุงและแม่ป้าขายค่าให้หักกันมาฟังนี้ไปฟังนั่นนี่คือดังเดียวกันาศาสนากะทือพูดดังเดียวกันแท่ส่วนภาษาหรือเสสเนียงกินอยูเ่เบาจังไรก็คือดำว่าดังกัน แม่แม่คงสีขีดขันกันละวางพุ่มแดนยินเสียงลำเสียงแค้นในขีดเทียนบุญสวงหลวงตอหลวงได้จับมือกันแล้วแกลีสี่ขึ้นใสหงอนเหล้ากับบอนประเทศบ้านขันหลาหันหน่อยสีนัางเมืองขันหลาหน่อยสี่นางเมืองคันเลืองเลื่อมแม่นสองใส่เหล้าไทยเฮา แล้วโลกสิไใดสร้างเครื่องลือกระเดื่องสะพานทองสองฝั่งคว้าไถ่ล้าสี่ทรงขายสินคาเศรษฐกิจสิน้ำหนาอินโดจีนสิสินไงจอตอคณคนบอกไว้คนเท่าคนเล่ากัน คนวกักเพียดห้องอยู่สองฝั่งลิ่มโขงฝุงปลาเบึกปลาสวยสีอวยหัวขึ้นเมื่อพุนเจ้าต้อนบุญสิมาเยี่ยมแขนสันเท่าลินการฟ้าตินแดงฟ้าสถานว่ามียานดอกยันไผสร้างเพือกได้สีเขาสู่หลวงพระบางผ่านสว่าเสียงท้องเขาสู่เวียงจันแลลวแถวหน้าเหวผู้เลือธาลีเมืองเสียงขั้นดานสายสบายบางดอกยางดี ให้เคีเยบเข็มตั้งแต่กี่สีสองหักลาซาใส่เสทธากับมหาจักรพรร ด, ดิ่วามกันขันส้างมาจากรุงสีพุ่นอโยุทยาบูปาขามผู้ฟ้าเก่าสันคันติตั้งดอกกกันได้สร้างธาดขอดมันสัญญาหลักผ้าไมมตีเอินธาดสีสองหักต่อมหาหอดเดี่ยวนีหลายลอยปีมาแล้วแล้วไทยเข้าใจซื่อถือเป็นรับยึดมันสำคัญยิงดอกสิ่งดี สีสองหักวานีถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สาบานสีโนโทกแทงล่าชาเจ้าพวกไทยเข้าล้านเลนหลอนสังวนใจเอาโลดไปเหล้ากับไทยป็นพี่น้องถ้าผองเสื้อดอกเผาเดียวน้ามงโกงไหลคดเลี้ยวมาตั้งแต่เมืองจีนผ้ากันอบพยพได่นวงเลยมาพี่ได้เป็นพันปีแลว้วไทยเหล้าคือน้องพี่สามมาขีกอดมันกันไวอ้อห่างเหินเสียงสังเอิญบุญสวงลำกับแค้น พวกเส้นแฟนเมืองเหล้าให้เอาน้ำในเดอ้อายเมืองปากไล่ตุงกันขามสาราขามยุ้งโอยฟังเมืองโอแตนเก็นเท้าอยู่แกส่งนอกตุงของเป็นบานพีเมืองน้องของเก่าแต่โบราณเมืองเสี่ยงขานอยู่ทา้งขัวแม่คงควงคันมีนิท่านจ้าเฒ่าว่าเสียงขานนำจอบมอบยิ่งว่าตั้งแต่กี้คนเท่าคนเล่าจ้า เลยกงนาแบนใส่ผามองล่องทะนูแผงลิบใส่หินผาตั้งหินแต่ว่างเวินน้ำไหลตูนเก่งไกลไหลไปตตแก่งฝ่าผาตังต้งตาฟังคุงเมื่องปากช่มมันนักยู่งสงส่งสงสงบนขงตรงกดโง่ลงไปทางสังคมรอผู้พานใหม่เสียงน้ำไหลตูนทางว่างหินก้นอ่างหัวใจลุกอ่างหม่างทางโอ้เอากะสัน ตกลงไปบอนบันถึงอ่างป่าเบึกบอนนำตกท่านทองอยู่รอของทางไตเสียงน้ำไหลตุนทางทั้งเฮือกระจดทาทาั้งฟังเล่ากระฮัาป่าเอาเขียนสอกหอยคองในหัวห้องเขาใส่กัน แล้วแม่นแม่โค้งสิขีดขันตันกระซังหัวมันแต่ว่ะความสัมพันธ์พอห่างกันพ่อก่อยถอยลงมาทางใต้เวียงจันท์สีเสียงใหม่กำลังฮวงกำลังใสเศรษฐกิจสิโลดลุ่งคุ้งฝ้าเดซากันบ้านกองนั่งวานันตุงหาทาของพะอิน ใกล้ดอนจันเน่ละมิดฟังบักนาวหน้าหาลอมหอมลงมาทังไตพ่นสาธาบ่อเชิญเจ้ามาพบพ่อยำไข่อในเด้อเห็นทาดหลวงตั้งเธอเลอเธอเล้อยุกกำไฟเวียงจันโขงวัดไตสีไข่สิหุงเฮืองเรลืองเหลื่อมถ้าบักเฟืองทา้งไตดอนเตียงดอนตํามัว ก, ะะกระสีตรกำปลูกบักเตงบักเต้าหอมขัวดอกถั่วหงาไปเยี่ยมยำเด้อแม่ป้ามาฟังทั้งหนองคาย บ้านปะโคเวียงคุกเล็กวันวันพร้อมจอมมณีสีแก้วสะพานทองตองแต่างานคามไปถึงหมู่บ้าอันขนาแลงซำแตงเอาขนาแลงซำแตงเอาใส้เป็นเงาเ ใบดีบ๊อหมูเจ้าเว้ากับมวลน่วนหูเมืองนองค่ายเวียงจันซ่ากันนอดังกองสะพานท้องเสร็จสินดินเล้าสีเฮืองหุมฝุ่งวะลุงเล่มแม่ป้าสีมีนาดอกซื่อบานพ ญ, ญ า, านาคอยู่น้ำใต้ตาตบาดานจุดบังไฟใสยโยโฮกันนำพรผ้ากันหอมกันเฮารักษาเอาบ้านน้องพี่ผูกความมักสามอาทีผูกไม่ตีขอดมันเด็ดพันลอยดอกกุ้งปี ไปฟังพุ่นมาฟังพี่เป็นน้องพีเสมอกันคววมสำคัญคือกฎหมายรักษาเอาไว้ลงไปไต่พุ่นพิสัยบ่นคนซาพญานาคยกนามายิ้มดอกเบิงมองจนซื้อเสียงดังก้องท่องเที่ยวท่อท่อท่อเดือนสิบเอ็ดบ้านเพนอังออซอซองแม่นำของวันนั้นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่พญานาคจุด บ, บังไฟคนสิหายสกเศร้าเมืองบ้านสิสุ้เย็น เป็นที่นาตื่นเต้นทาพี่สุดกามาข็นสะพานทองไทยล่าเขาดังพราะปานฝาโง่ลงมาทางไตบึ้งกันปากขาดฟังเสียงทาถาตองดังกองแจงอหงผู้เขาค้อยตันของน่งเป็นหมอกขวานัวเลียวไปทางเมืองล่าเอากระสันแซนกันเมืองปากสั้นตรงกันคำไม่มายา้มเดินอองพี่บึ้งของหลงบุ้งขาตุงคำปากกระดิ่ง เจ้าได้กินป่าปิ้งย่าลืมแก้วแพลวผักได้กินแกงป่าบึกยาสิลืมบักหอยกีผูกไม่ตีกันไว้ไทยเล่าให้มันแก่นมาจับมือถือแขนทั้งหนุ่มสาวและผู้เฒ่าผู้อำเว้าให้ฟ้องกัน กำไฟนั่นท้าแขกเมืองหินบุญตรงบันแพงหน้าเข ท, าเท้าอุเทนอยู่ทางไตน้ำสงขามไหลตกหันลําคองคลองสะดันถาดสีขวดอยู่ฝั่งนั้นหอยตั้งตาฟังโคงเมืองนครพนมมันนักอยู่ทรงสรงทรงทรง ง, ง้อยฟังทางขวาโคดตะบุญน้ําดื่มซื้อเมืองแต่ข้าวกีเขาขีรีขวางขันซ้อนกันเป็นลันลันเห็นแต่ผู้พลาสัน้นสูงสลับทับซ้อนซ้อนโอเอากะสัน แข่งคํามวนว่านันคือสิมวนน้อยาบุญน้อเมน้อเชิญไปย่าเด้อคุณขาฟังไทยกะใจกวางฟังหมอลำบุญสวงอย่าลืมเด้อบวกทานธาดุผนมตั้งต่างานอุรังคาธาดเจ้าคนสิีใบยอยู่บาา่เร้าเดือนสํามเพงเด้อมูเจ้าเชิญมาพบประสบกันปูชนีสําคัญตั้งเต๋โบราณพุนไปห้อมบุญกันถวัอนอย่าลืมเด้อบวกทานคำไปมุกดาหารสารพันเครื่องใส่ไปข่าดอกเปียนกัน แข็งสวรรค์ในเขตนั้นมาตลอดทอดเสปูนขามดอนตานสนุมานบนนอลเฮือนตังให้กระพายเลือกขามกุงผนังบอสส่างนั่งเข็มมาลาดอยู่ใต้ไปข่าแข้งสบาย เป็นเมืองนองและไอยเย็นซุมสุ ข, ขีให้ยู่ดีกินดีบังมีเงินล้านจอตอขุนเดอร์ฐานสุขสำลานอีพ่อยายขาบคือนาของใช้คนสิสุกทุกทวนนาลุงป้าสิซื้นบ้านบ้านสีได้ตอบ้านงามตะงานสีวีไล่เล่าลกับไทยสามขีสีอยู่ยง่คงทีผูกไม่ตีเหนียวมันสาสสัมพันธ์ยาใดห่างยาไดหมางเบื่อนาให้มาเยี่ยมซองเบืงกัน บ้านปากแซงนแแงนั้นพระเจ้าใหญ่ศักดิ์สิธถึองย่ำตุดสงการจีล่าสมองเจา้าคนมาห่มมาเตาลาวไทยทั้งสองฟังแกงต่า ง, งานอยู่ฟังสายมาสงนามดอกหวมกันทั้งสองค้อนดอนบะเกียอว่านั้นกันระบางกลางผงเป็นภูเขาสูงสันควมดอนสะขอนอ่อมห้อมลงไปปานส่างทั้งงามบนน้ำแลลมมีแต่กอแต่แก่งแสงสิวได้ลิ้วตาโง่ลงมาไฟไตสีเมืองไม้ขงเทียมปากนํามูล เมืองอูบนุดนดานเดิมบผาแต็มสาระวันแดียวขวแยนมคงเสดุดนพี่น้องเก่าไปเยามยามเดิมอูเจ้าสาวเสื้อแขงอุบลคขามซองเม็ ก, กัะพนลวงใส่เมืองพิบุญไปสื่อขายไงมือให้คลองคือกันแทอแว่ลงมาถึงห้องพอนท้องเมืองเก่าจำปาสักของเฮาเมืองอูบุเป็นพี่น้องของเขาตั้ ง, ตตงแต่หึงเปลืองฮิตบ้านกับคือเก่า ค, คือหลังให้ไปมาขายายามซ่มขายสินค้าสัมพญาเจ้าส้นสร้าง โดจีนสีเด่นซุมกองบกแข็งสีลันตุ้มกองบกแข็งสีลันตุ้มสีหายคุมแม่นซื่ใจสีหายคุมแม่นซื่ใจไทยลาวเอ้อ ฟ้าห้องความกว่ำน like ้องคายไอฮอนหำได้ยินฟ้าห้องนำทั้งยังจันลันตึงคิดถึงน้องได้สองหาคิดถึงน้องได้สองหาบุญนำหาโอ้ยยอยยย แล้วต่อตอไปเล่าเสียงหายสุกเศร้าเทาทัวทุกหัวเมืองไทยก็เสีหายสุกเศร้าเทาทัวทุกหัวเมืองแข้งยังบังข้างหน้าสิหงเฮืร์งพบปานฝาสามพญ่าเศ้าส้นส่างคางดินสิเศ้าเวนเวนสีโคตสิได้สินดินบ้านสิสุ้มเย็น จอตอคุนพุนบอกเน่นเห็นคักประจักราเศ้าพระลาเล่าไทยสืบเชยเดลุงป่าวงน้ำท่าอยู่ทั่งไต้อุดมไส้ไสงแเวแข้งบอ่อเกี่ยวจนพึ่งเป็นเมืองนามแม่คงเลาะเลียบท่งเสียงมวลของสาลเมืองน้ำท่าปากแข้งปากน้ำอู่หูกวางไส้บุหลีของคันติดกันกับเมืองนานเมืองบอ่แเตียนแกนท่าวูสาวกูเลืนคน สารคามอยู่ฝั่งสายเสียงขั้นอยู่ทั้งขวาขามไปมาหากันสนัน่นเนื้อหังสินค้าโง่ขึ้นมาทา้งกำเมืองเฟืองซ้ำเมืองคนห้องของุดข่งตร ง, งเขาใส่เวียงกำไฟเบืองเมืองแม่มเมืองกาสีเมืองยังบังใส่สมบูรณ์แกว้วอุดมห่มทอนคนสิมาห่มขอนตุลาค้ม ข, ขันสั่งขเขายังจันล้านสร้างเป็นหัวคามแม่นกายไทยเป็นขัวคามแม่นกายไทย S <S <S <US> <S โอ้ยโอ้ยนะ่าแล้วเมืองน้อง่ายอยู่ฝั่งใต้ได้เปิดป้องประตูทองสองฝั่งคงเล่าไทยขาวสารถึงบานสุขสำลันดีถวนวันชนทั้งสองฟังให้สุขขังจิรังพวกพ่อลุงและแม่ป่าให้มีนาชื่นบานแม่นหัวขานสิมาฟังทั้งเมืองไทย สบายใจกันเนอะหนุ่มสาวเข้านี่ไปหากินไปหาตีตามใจเจ้าดูไปพวกฟังไท่กัสิไปท้องเจริญนดาเหลากัสิไปหมอแค้นสมายออนดีกัสิไปหาเยาี่ยมๆหัวพี่น้องยุทัางกำไฟเวียง เสียงซาเครื่องวันทีแ่แปดเมษายนปีพ่อศสองพันห้าอยสามสิบเจ็ดเปิดสะพานเดือดทานพระผู้บันเน้อเก่าผู้มีพ้นมหาราชทรงเปิดบาโรโกาศเป็นมหามงคลส่องฟังองอายนองสยองกองควาแคนดินโอ้ยมือนั่นปันนมาฟ้าสิปินคนลังไลห้อมเสียงประคมแต่สังฟังของสองำ ประดับไฟไสเมาเปิดเงาและหงิบหงาบเหลื่อมมิบมาบส่องฟังนม้มสัง่งงามหายกายสะพานจ็ดที่ว่าเจ็ดลาถทีบกคันยิ่งใหญ่ยยโหรานปากฏการมหาสนดังออโซ่สองฟังเสียงขว่งเสียงของเสียงแค้นเสียงปีบะโหรี่สิบสองเสียงร้องโ้ยลํา เสียงระนาดฟัดซ้ำตีน้ำดังประโคมสมกับคำทำนายหลีนอป่าพระสุธากษติใดมาปิน ด, ดินตอแค่แนแผ่นทำนายพันวาใบคนเท่าขิดบังเอาไทว่าเวียงจันเสาผู้สาวาเอ้ยยาฝ่าว่ามันสิปูบัดลาบักแกงสร้างน่วยไปไกลไปหันเวียงจันสิเสีองฮงจอต่อขุนเดาพลุงพวกคุณตาและแม่ป้าอ่าเอ้ยจังพบตันมาฟังนี่ ไปฟังนั้นน้องไข้สู้เวียงกันสายแม่ยคงย้อนย้ยตั้งแต่เนื้อจวดไต่แม่เล่าให้หมดเกี่ยงเสียงจานั้นกแม่นแม่นำห่วงเป็นพรมแด่นสว่งฟังขวาแล้วยายเป็นเมืองง่ายและน้อ ง, ง, องเป็นเมืองน้องและอายเป็นเมืองง่ายและน้องหมอบไม่มางแ ม, ม่นหั่งกันสายสัมพันธ์ น้า ฟาห้องเผาเหลียวไปทางเมืองลาวเห็นแต่เมฆต่างโงนเหลียวไปคงเสดอนจำปาซากอยู่ไตจำปาสากอยู่ไตใจบุญสว่างวางบ่ลืมเฮ้ยใจบุญสว่างวางบ่ลืมโอ้โหยน้ บัดนี้สมควรนแลว้วบอซ่อสิเอิ้นสังพี่น้องทั้งสองฟังเียงหูฟังคูขา่าบุญสว่วงสิสังลาแมนสิอยู่ฝากฝากคนละทินดินเดนฟังเสียงลำเสียงเคนเป็นซื่อสารการบานงานถาดหลวงเวียงจันเจ้าเอาบุญอย่าลืมข่าวงานถาดดำถาดขาวไทยกับลาวถืออีดบานของเขาวว่าดังกัน งานแข่งเหื่อมูนันบุญออกพันษาเชิญพบปาสมาคมไหหลังโฮมหอมเฮาอย่าลืมข้องคนเขาโบราณตั้งแต่เก่าขีดสิบสองข้องสิบสี่เพิ่นเบาคนเ่าให้รักษาณลาคอนเดอร์เม่ ป, ป้ายุฟ่าฟังทางเรียงเสียงกำบลาอาวอนจากอุดรบุญสว่วงภาคอีสานมั่นกวงเมืองอุดร น, นครใหญ่ ขอฝากความมาไลยใฝฟังขคมเมืองน้องอายสองกำแมน่นาที่ในมือนี้จำจากแต่ก่อนลำ้ำส่วนว่าจิตใจนางบ่ห่างเหินพ่อก่อยเชิญเจ้าเมื่อยามไขอยสื่อหมอลำบุญสวงน้ำสกุลเด่นดวงบ้านน้องแกไข่แวเยี้ยมเตรียมตอนรับสุคนตำบลขึ้นน้องหน้าคำก้ามบ้านโกยบ้านน้องแกร่มชอยคุมวังไผสิบอกใครไปยื้อว่ายองยาม แว่กินเขาและน้ำถือบาค้นกันเองตรงกิโล16สายอุดรอนสะกคนมูค้นกะคงเชิญยังหูมาฟังไวถ้าผู้ใดสนใจซื้อหมอลำบุญสว่งไข่ยบ้หึบงบอกหวังโทรศัพ์สีบอกให้จำไว้ดอกใส่ไก่ศูนหนึ่งเดอร์จำไว้ละหัดไม่มือถือศูนย์หนึ่งเดอร์จำไว้ละหัดไม่มือถือเก4 1ห8 4หนึ่งสปด เก้าหกสี่หนึ่งสี่แปดสี่นี่และใส่อยู่สู่มือเปลี่ยนใหม่ท่านสมัยอยู่ทางไก่ในผู้สู่คนกะระทษใดน้องแก่อคำไม่จำไว้แค่หังตัง้งขึ้นใหม่เฮือนหลังไงตัง้งเธอลือคอยทาว่าบงาน บุ่มสวงได้ง่ายบ้านออกจากเขตน้องตูอยู่ซุ่มช้นอัดแยตั้งแต่ปีสองหาได้เงินตามาพ่อใส่เลยสร้างเฮือนหลังบักไงเม่นไผไผกับูคนกะลูทัวอุดอนซื้อเสียงดังสะท้อนอยู่ในเทพข้าเสร็จล่ำมีผลมีเม็ดยาสิลืมเดือลุ่งป่า บุญสวงละเมื่อกำเ ม, มืองอูดรนฝ่าย่อนยอนอิดอ่อนล่ำเมยลาบุญสวงสีสังลาพวกพ่อลุงเลเมป้ากำไฟทั้งเลี้ยงกันจอมมานีน้องไยไก่สะพานทองแล้วป่าชาสน้นริมนม้ำล่ำขุงต่างสองฟังให้สุขขังกีลังอายูยืนหอดลอยจุนเขาเ่าแกสุขคนพวกพ่อตูพวกแม่โซนปู่ญาและเอาอาทั้งลุมตาคู่สุคนสิลาแล้วแถวสองกำล่ำ โขงแม่น้ำไงเ่ล้ากับไทถเป็นพี่น้องเครือขา้าดอกเผาเดียวน้ำโขงไหลคดเรเลี้ยวให้เที่ยวทองมายามกันเนื้อแสนล่ำพันกรสันขีดสีหางไก่ลุงป่าฝูงมัดสาศิลานหนามสาวงามศิลาแวนแวมศิล้านาาาา น, น, านิ้วก้อยสไซอยสีหางคอคอศิลาสวนหางเครืออย่านา่งล่าโนไลให้สิไก่ปลาแดกตวงตํามสมสิจมหา คือฝนเดินสังฟ้าปลาสิไว้ลงวังหนังสิลาของเพนสิบอ่อเขีนเน่นหน่อยคอยสิล่ามันมู่หญ้าคู่ล่าวัดป่าแพ่สิไก่กผ่าลาอิวสิหังกุ้งดงสิไก่เสือเขียวเที่ยวทางมิจิลีคือบุนสวงไก่ดองพีเช้าวเวียงกันฝั่งใายเศ้าเมืองไทยอยู่ังขวาพวกเมืองลาวอยู่ังซ้ายบุนสว่งล่าจากน้องอายขันไก่แล้ว แม่นเต้าเมือขันไก่แล้วแมนเต้าเมือเหลือใจเด้ออ้หนแล้วไก่มือนี้มือใหม่กันยังมี ให้สุขีกีรังฟังผงขัว า, ายตั้งแต่เหนือจดุดไตแล้วไทยคือหนองพี่คุณเดือนสามเดือนสีุ่ดสงการเพืออ่อนบ้านให้มารวมดอกความกันสงนําผ้ามูนั่นถือเป็นเห็ดประเพณีเอาน้าหอมหมดดําหัวพอแม่หาทรงล่างให้คือปางข้าวกีโบราณท่านผ้าแตงแปลงเป็นปืนงห็ดบานโบราณเข้าดอกเกาลั๊งให้เช็ดเห็นตั้งแต่ข้างเห็ดเกาเล่าเวียงเสียงอําลาอาวอนสั่งแต่ก่อนวันนี้ ขันเจ้ามีงานนาสีอาสามาล่ำซอยเงินมีหลายมากน้อยทั้งฝอยสิบอติแต่เมื่อนี่บุญชวงจากมันจำดินแต่เมื่อนี่บุญช่วงจากมันจำใจฝากแต่ความอาไลสีห่างไกลแต่ความเบาลาคนเดินคนเข่าสลาการพอเลืเอแม่ทั้งผู้สาวและผู้เสลานน้อยนุ่มขน้อง กองศิลาหนังหุ่มแล้วกองศิลาหนังหุ่มผาคุ้มจัวศิลาบาดคาดล่าค้อยบักตู้มีไปคางอยู่พนผักกระโดนศิลาก้อยป่าเขาหน้าศิลาไข่ป่าเบึกใยล่าอยากทำวังเถื่อนดอกอังหินมั่งสังสินศิลามูปูปปาดวงดาล่าไก่แสงซูนแต่งบุญค่อย่าขั้นบุญมาพลาพอมขีมาลัมงานเสบเดือนซ้าเพนเชิญมูดเจ้ามาเต้าดอกอังโฮมคาดผานุมองข้าเจ้าของเก่าปูชนีลูหัวอก รังคะแหง่งศรัทธาเจา้าเชิญมาหอมมาเต้าเอาบุญคือเก่ายินดีตอนรับเจา้าคนเท่าแหลหนุ่มสาวขันคนเท่าแหลหนุ่มสาวไทยเหล่าเอาเอ กระบวนสมควรแล้วสีถวยผ้าล่าเลอเคิกพวงานนองอยู่หนาอีบุญสว่งสีสังก้อนเจ้าผู้เคินขาดคอนซุ่มสีและซุ่มสามงามแถบอบแฟนหลักขักกระใจผู้ฟังไกเป็นจังใดคุณขา่ามาฟังลำนองบุญสวงคุณพี่ขามักอยู่บบจังรอทาวาอยู่ดนแม่นจะมักกระโดนพ่นบักผิกอยู่ใน อ, อกบ่อใชเอ้ย ơi, หรือมักผมดัดยกแบงร้อนสีปาย มักน้ำไก่น้ำเนื้อหรือความล้ําบอกน้องแน่บอกน้องแน่หรือมักแพ้มักผาคองน้องที่นุงถือ มักนิ้วมือบอ่อหรือเจ้ามักนิ้วเท้าไขว้าต่ออีนั่งสาน้องจิบปาแฟนมาแฟนมาไปอยู่นอนระเคียงพีหรือมักก่อนล้ำน้องอาจารย์มีสีบอกแต่งแบงให้พวกพี่น้องมาล้ำทองเขาใสกันปทุมทันยังเหนียวแน่นใสดีที่เสือหอหรือมักแขนมักคอมักนิ้วมือนิ้วเท้ามาเว้าเพื่ออยากบายมักน้ากายบอ่อหรือจะมักน้าก้นพ่นกระดัน เออเออเอ อ, เ อ, อบ่านหาห้ามยันบ่ได้โนอให้พี่เอาเงินพันมาใส่มือให้น้องทางต้องคอยบอกขีน หรือมักเสือมักสินอยากดมกินกุุยหอมบ่อใช้เอ้ยให้ถนอมเงินมาคาดองวางเตืองอันแต่ถึมทําเถื่อมซึมซ้าน้ำอกบ่อส้วงสิย่อไข่อายถวายพี่ดอกผู้เดียวคิดยากเด้โอโหโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโโอ แล้วคิดยากได้บัดนี้งานพอศรัท ธ, ธาหมดน้องจะเดินทั้งพดดอกฮังให้ไกอาอทกขานวนเพราะปันฝ่ายหิวนอนจอนสินยางทั้งแหงไก่ขู่แข็งเงินเดินลาเจาเมยขา บ, บ่าวเอ้ยบ่าวพ่อห่างพ่อใหม่ผู้ยืนไม้อยู่ทั้งแกะตาส้นแหลบงังเสานันอยู่เงาบังคึม้มอย่าลืมกันเดิมใหม่ขันเมียตายแต่ปีกอนขันลูกไอยังอ่อนเอาหมอลำจังนี่น้องเอาหมอลำจังนี่น้องไปลำลองขึ้นใสเตียงไปลำลองก่อนใส่เตีย ง, ลล ง, งใ ส, เ, งใสเมียงเมียัง Oh yeah, oh no! What do I know? ละนานวนในนี่นาเอ้ฉันขอลาไปแล้วเอ้ฉันขอลาขันไปแล้วคันไปแล้วโอ้ยพี่หมอลำจังว่าขันพี่หมอลำขันเลี้ยวเข็นนาขันเลี้ยวเข็นนาเขามายิ้มเปินเวิรนเปินเวิร์นละเปินเวิรนเปิลเวิรนอีปุ่น s w i มั่นวาสือเอินเทาปุ่น s w i n มั่นวาสืเอิญกว่าย่านพี่หมอขันนานๆจะมาเข็นนาคันมาเข็นหู เห็นตามาเห็นคิวคือสียอันคันบ่อช่อเวียนอยากได้คันไปให้อีแม่แงคันน้อยคันน้อยดองแดงดองแดงดองแดงสี่ให้คอยแตงเจ้ายักเสงน่อยสิขายหมอแค้นมาแตงแฟนไปนอนซอนนอนซอนนอนซอนนอนซอนคันกินบ่เป็นคันบุญสวงนางน้องสิป้อนคันนอนบ่เต็ดนา่งนั่งน้องนองสีความอวยหอมบ่อหอมบุญสวงสิก้มดมอ้ไอ้เข เสียตียงเสียลาลี่าลาลี่อง ตี๋ลาเลียลาเลียงนอนเตียงโอนตะเลียงนอนเตียงนี่ละบนว่าโซนนอนไต่ละเบนมาล้อนเจ้าอย่าสงนี่ยาสงใส่ถอนแก่งบ่อนเจ้าใส่เอียนบอ่อได้ผิดนี่ละเป็นพลาดเทียนคำเเวานันใส่ละผู้ใดขันเจ้าใดลูกหนึ่งบุญสวงนางว่าสิคองขันใดลูกสองอีบ่อซ้อมันกะสิทาใดลูกสามลูกสี่ลูกทาขันปาฮามีอาม่านองสิเอิญอายผู้บา สีเอิญสีเอิญผู้บบาไพ่มาเอิญพนว่าพาอห้างบางคอนนั่นแม่นใส่หัวเจ้าเป็นผัวเป็นผัวไพ่นอผัวไพ่นอมันจังควงเอย้ยมาเป็นผัวบ่ลำจังนองจังนองเอย้ยจังน้องจังนองจังนองเอย้ยคองสิ่ได้แม่นความกันสันแล้วพินาควันคำนี่นาละนะาควันเมืองนี่นาเอย้ยนาเล่าขิงบางๆงเอ้ยเคยไทเมืองอุดรนบ่อุอดรนบ่อุอดรบ่ Boy. Oh, hey. บบเว็ดใจล้ำทั้งสันสจล้ำความล้ำลองเาาสภา้ายจ้งหองหาสี่้วสี่มาเขาหนั่งบามาฟังไปไอกีกคนหน้าใจเจกาตอนสองหญิงจมงหองอยังนี้ ชวนเต้นคนกา้าหญิงมี่เป็นหญิงก้าจันหาหัวมือหญิงนี่ดูหญิงผูนงงนง้นัน้นดูนามันท่าค้ำคือหมอลำนิติเลวมองดูรูจ้วงเพท่า น, นั้นไปหอดสวนไปแต่ยามมือเศ้าไปแถแต่ผู้เดียวของอยู่ในสวนหัน่นหลายอันแต่ขอ ง, ข ก, ก, ก, ก, ก, ของกูประกาศหัวพระครัวฟ่อมมาแกงสร้างกะเหล่านี้ พ่อดีมักแแตงสร้างกำลังขี่จุ่มจอหน่วยพ่อทอด้าำผ้ากันนี้เร็วอยู่สวนสาวจ้องห้องเพิ่นกับไปเที่ยวส่วนตักน้ำหลุดนดบักแตงแง่งไปแง่งมาก็เลยพอบักกอรอบักแต่ ง, งอนเพิ่นนั่งคิดกอนซ้อนเห็นบักแตงมวย น, นั่งทำลำเตยใส่บักแตงคว่ำบนเตยเพิ่นมันฉัาได้ เจ้ามีแม่นกอรอเจ้าอูบากกอรอมากคือ่อนดอกจิ้วพ่อคิ่วิวนั้นปาโปโกสัมมาโกมขัวสูอันนั้นลาพินานิโนวานานาวัดนานี่นวานานาในบักขึ้นนึงอ ย, ยดิงเดือบักขึ้นนึงอยดิงเดือ เออละพ่อแต่ล่ำจบลแล้วเลยคิดเอาว่าแวบคิดว่าเพิ่นสีย่ยำจิ้แก่จะเหิวมาเพิน่นจิ้มแต่คิวว้วเข่าซ้อมดูหันบอแมนได้บักแกงเหลวแลนเลียวหั ว, วคุณหวกพีกไปหาลี่บ้อนหนังนั่งลงไปบังไม่นั่งลงบังจะโค้นนุ่มเอาบาักแกงลงจุง่มมีเสียงอุ้มปากเมาแล้วลงเดาหน่วยบักแกงมีแหงหลายจนตาค้างเสียงค้างอยู่หิ้นหินอยู่หินหิ้น แถวเห็นลินทอกำปั้มดขั้นไหยเขากลัวก่อยหน่อยบ่อหน้านมกแกงร้างขาดข้ามนี้นิดจีรีคนหอกข้อปีเลยสิ่งออกกระบอใดทั้งไปนั่นพันอยู่ในเสาจองห้องกระไรหันบังเกินหาแม่เง่นไถ่นอสีมาโอออกไถ่เข้านี่จังเหมือนเดน เสียงเฮ็ดดันตึงตึงที่สัญญาคินขู่กองเจ้าจองห้องเขาว่าท่านได้ปันผนอนหันอยู่สวนส่วนเราพอเพื่อนั้นโบเห็นลูกขึ้นมาหัมันไปโหดสวนสดว่ามาปั่นนี้แม่นมันหนีไปจ้อยท่านใดพอเพื่นมาไปหามันเบื้งก่อนหน้าพอจะเลย็อก็เล่าไปเท่าก็ไวไว้ทมการทุงถึงสวนเอิญหานางจองหองใบนางอีนางอีนางไปใช้หลามาโหดสวนกกยามเเร้าไป ทั้งได้ดีสาวจองหองนเลยมาโอ้ยบักแตงขาดข้าหิคอยเอาออกบ่อดที่ตายแล้วขอเอ้ยขอคนเลยบ้าอุงหินั้นบ่อหากินมักแตงพีหาตายกะตายสำซาแขวเต็มปากอยู่พุ่นหนาวหิ่กะสันเต็มมันตายสาแม่กะขังอยโอ้ย No, no, no. แล้วเห็นเข้นเมาจังซี่อยาสุขียดเด้อผู้สาวเก็บเห็นเข้าวฟังลัมมัเอเดินนั่งนอนขั้นบัวลำกับบเวหาวขั้นบัจากรบัวมวลสมควรเล้อทอนี่เขค้นลาสีดวงนี้ต่อจากนี้ให้เจ้าวาเดินยิ้งคว่มเป็นจริงหมอเค้นจังใดเดือดรอนสองคนเท่ามาเมาน้ากันให้มอนมวนลำทั้งเห้าต้องสุวนรณกวนเข่าเหมือนใจกันเพล่นจังนึ่งท่นมาเบิดสีลำทั้งสันสีลำเห่าไปเห่าเห่าเหาไป ยอดมือเศร้าเงาใดแต่เทื่อเดียวขึ้นผู้เขียวเลี้ยวลงมาผู้ค้องผู้เขาท้องแจงขันใครเลี้ยวไปทั้งเสียงไม่เห็นแต่ผู้อีตตันทางกองลมเลี้ยวไปทังผู้อมผู้หอยลมหม้อละแมงผู้บักแมงอยู่ข้างใต้ผู้ไปอยู่ในนือผู้บักเขืออยู่ทา้งข้างผู้ยานา่งไต้ผู้ลนผู้บักตนตี๋กับผู้ปลาจิ๋วผู้จิ๋วปลากระจิ๋วเลี้ยวเห็นเขาเขียวสิวผูมาลมจำบันคงเลี้ยวเห็นผู้ ขอบดุวงองหงอม ว, งวงังสิไปผู้มาล้วยเชื่อผู้ข่วยผู้เขาคุ้ยดงมาจีขึ้นไปผู้มาลี่เห็นแต่ผู้กำพาถึงนาไทยสะออดนวลนั้ น, น, น แ ล, แล้วเห็นผู้เขาซ่อนซ่อนกันเป็นลันลันแม่เลยผู้พาซานอยู่ส่งส่งงงห้อมหอมเขาแล้วเห็นผู้ซาเหล่าผู้ซ้ำเฮากำผู้วงังใจผิดายคิดต่างและเิ็นฟ้าหำหองดังกองตาลิ้นซ้ำเพืองเอ้เพืองเลวปัน้นังเอ้ตาวมันมันตาวมันมัน มาเด็ดด็ดคอนขัวนอนเมียพันนั่นนงคอนสีแจ้งนีมีมนัมนดานคอนคอนสีแจ้งผู้สาต้อยตีมองไผสีม้าม้อยหาง ต, ต้อยดำมองนองเสียงโคกมองผู้เสาวเข่าดันไก่ไกบาดทางหางดันมาเอ๊ะเข็มแหลมเอ๊ะเข็มแหลมเสาวเท่านี่มวยขาสาวาสาวัสน้นหน่อยห้อยหันมองหลดหัวแฮนใบตองลนตาท่ว ง, งหัวหนุ่มมันโตอตอง ใบตองลนกะท่วงหัวตอใบตองบาดยาผางมองเที่ยปากกันตับลักหัวสาวสั่น่อยตันหาหัวมาหอดอายุาได้สิบสี่สิ บ, สบหากันบาบาที่สิ่งตาหน่อยสิ่งเห็นยังกะหัวใสบาดถาได้สิบเก้าลวงเข่าคอเจ้าถึยงเศ้าแล้วเศ้าหัวใจกะทุนมือไปสูนทองน้อยมือไปฟื้นกบสิ่ง อช่อเขาทองน้อยแต่ลืมปล่อยกับบอ่อเป็นบอ่อคือเสาสัมน่อยไปเทลืมกองบาทกําปั่นแม่ถิ่นก็เลยหึงหว่ากองลืมเสาสัมน่อยลืมหยังกะลืมโหดไปตักน้ำกะลืมเบียงเอาแค่บาดถ้าแม่ได้ปล่อยทังหว่าเพอลืมเอาสบายมาหัดมีรัดนุมหัดอิงโยนหาดน้ำปันมาบ้าเพนสิรี บ, บาดไม่ขั้นหลุดคู่คงไปงนนนนคนกำคู่มาหนั่งใจรีเสาหทิงกลินไม่เลี้ยมคุ้ดอกไม่ วังนาเรบ่อเห็นเต้นแล้วดีทีรีดแล่นลงวัดยานผู้เฒ่ า, ามานำ มันแลนตํากันลมโหบัดพรมเอาซําน้าเจจม๋บ่บาทถ้าถิดมากแบนหัวนุมบอกแกนเงื่อนเข้าพินทีทอดสู้นันเวรอยู่คือกาผููบาวเป่าแค้นมาหลักหัวอยู่ทั้งทีเมื่อตีหลังกันตุม้มแค้นให้นิ่งมากูว่าแค้นมากันนั้นมันเคยเล่นต่อมาแม่นเธอเธอมันเคยเป่ามาหากูมึงบ่กมาซ้อมเห็นท้อกูบูค่อยเห็นพัดแต่มาเป็นสู้มันขุมกูละสงเท้อเื้านึ่งนั้น มันจับแขนกูถึงยูร้อยพื้นหลุดมือเท่า น, นั้นมันหลุดมาใบนมกูลมล้มทั้งทางทั้งใดนั้นว่ามันเข้าสู้มึงเร็วบ่าอีหาทั้งใดนั้นบมดทำสูน้ดอกไว้หมู่กูสาวเราขึ้นสู้ว่เห็นคอยกูยนั่งบันเอนหนึ่งว่ากูอยากนุงตั้งแต่เสื้อกะบังเสื้อ ย, ยกไหลกูอยากายเอนหนึ่งว่ากูนี่เบิร์ตไอล้วกยังแต่ควรอยู่ถ ท, ท, ทวนทวนเอ็นึง่งกูไปหดสวนกูเบาโอผ่านนั้น ตะบอกอายสายคอน้อไมอโอ้ <las m> <warm> <techno> เธอหละจังศิลานาหละคว่ำจังสี่ที่กระบาไปแล้ยวเจ้าขอโทษหลายๆอย่าสือสั่งดิเข้นเออผัวคูเสาวผสั่น่อยคิดเห็นคว่ำลำบมายเจ้ามองลำคิดกลินหวังเจ้าผู้ลำดอกก้างที่ไข่ทางมันางนี้กลนโคกหนึ่งที่ของกินดอกท้องเลื่อมอื่นเลือขึ้นโคกสองนั้นหอมกินดอกเปาที่กินเจ้าลืมใหญ่บาดยางขาเห็นแต่ห้อยเจ้าลงสั่งเห็นแต่ทางเจ้าลงคาเห็นแต่ห้อยหาบน้ำม้อยกลิ่นบ่เกล ะบอขึ้นโค๊กหนึ่งเห็นแต่โค๊กปลาจิกมาบังหลังขึ้นโค๊กสองเห็นแต่โคกปลาหั่งมาบางังนาขึ้นโค๊กขาว่า ป, าปาลาขึงโคกปลาไหลนี่แต่แมงที่ให้ตอมคนไม่มันเลยแมงอี่ห้องทั้งนาทั้งเือนบ่อนองดูแมงผู้ตอมดอกไมนใจรายหลบบาทเลยหลบบาทเลอ เดินมอ้อลเสด้จากเได้ภาคมุเจ้าไปเร็วลำบ่อเห็นบ่อยาผาดาเวีนเดินนงจองจำหนบ่ อ, อยากไกสายขอมเดินนาาเวียนอยากเห็นตัวแม่เดินดีป็นตูจังเลนนั่งเห เป็นตูจังหอยหรือเป็นห้อยจังสางหมอลําเข่นพ่อจะไปเที่ยวจ่างผ่านปิล น, นไรขา่าพ่อจะไปเที่ยวจ่างผ่านหน้าคนไรนิ่ยงยาำนั้นฝ่ากันกิ่งแสงไฟนครเทนแสนที่หุ่นไหวชิ์เอาคานิถึงนองให้ที่ข้องให้ที่อัางสิเพียงนางตังอุ่นหรือเสียหินทิน วัดผูกไม้ตากน้องลําแย่งสันบ่อนอนน้อง25งห้าส้ำจีหังกันน้อเขี้ยากเดียขิงด้วนสุดดวนเมืออ่ะทอดมืออื่นไก่เจ้าทอแม่มือทอดมืออื่นไก่สาวคำนั่งทอคำปั่นทอดมืออื่นนหั่นโคกปะชิกมันสีมาบังหลังโคกปะหังมันสีมาบังหน้าโคกปาว่าบ้าปเป็นโคมาลงตรงเป็งโคปะเป็งบังซำมลำบ่อเห็นจับมันเลือดยังเดือดมาปะจนจับหางหรือเั่นเด้ ไหาไม่หางจำหห่างสะเทือนฝ่าเอ้ยฝ่าห้องเกนเสทางเตงบอลลออ้ออ้ย้แลน้ำอ้ย องศ พ, พัญยูเหนือเก่าของไทยเฮาล่องใส่ซาดเป็นสังสารใหญ่ขนาดเผาองใสซาด ส, สัน้นขันตีตังแม่นต่อมานขันตีตังแม่นต่อมา จะตามเรื่องพระสัทธรรบอลตอนพระบุทธเจ้าลงใส่บาสมเว้น เป็นซาดเสื้อสร้างเปือกไพศาลบริวารบรทนับมากมายไหลล้นมีนั่งสร้างมาเหสีทั้งสีเป็นเทพียอดเยี่ยมเทียมคางอยู่บริาวางงังสร้างฮักสร้างเสมอเนตรดวงตาปัถนานํากันตั้งแต่ข้าวเป็นสร้างทําบุญสังสินทานบริประมาทซาดพระองค์เกิดแล้วได้นําใส่วาทงกรรมมือเนึองนั้นสร้างไงสัตว์ท่านบริวารเป็นกือดอกซือแนวนั่งสร้างพญาศานดาหญาหามาปันปัน บอลให้บางอ่อนยอดสู้เมียสร้างดอกสีนางส่วนมาเหสีสร้างกันยินดีสมซื่นสร้างกักืนเงื้อหยาบค้าข่างดอกว้างคอพ่อหอดน่องนั่งนาดสุภัตตาเมีพยาพญ่าไพศาลมอมพนังกันเลยแขนมีมดเดงกัดน่องข้าขอคอแขนขังเดโน ว่าผัวสร้งสสางโศกเศร้านั่งสางกะวมเงาเฝ้าต่อพี่พระพีพ่ายศาลอยากอายบริวาร น, นานายผัวสร้างนองนำตาหน้องไหลหง่วงงาจนย้อยอย่งว่าผัวสร้างนาดนองบ่คล้องใดดอกอยูน่นํ า, ส ร, าสร้างสร้างในระวางมีกมจำจ้ำเป็นเลยลนาะตายไฟนั่งแนวสร้างผัวหมังเมียนนองบ่คล้องอย่งข้างแผนสุภัตตาสุสเค็นก็เลยลมเท้าตาย พ่าสารสร้างซักทัานกันกโศกโรกมันเป็นจังสี่พญ า, าสร้างได้หัมหอนจมเบานองนงาาั่งพญาศั่งปาโอดขึ้นมาปากเฝ้าพ่อได้สังคัมสร้างโศกซ้ำดับซาดสูญเสียเมีพยพญาพ่ า, า, าสารได้เล้าตายเข้านั้นดับขันสูญเสียงว่าผัวสัง่งทำูตรปาธนาจองไว้ดอกนำใส่สมกรำสร้างกระตายซาด น, นั่นได้มาเกิดเป็นคนมาเป็นนางสุภัสตาลูกพญ า, าจำแจง้งเน่าในแขนเดียนพ้าละ บอกเราสุภัตตาหมิงเอาดอกเป็นเจ้าดอกเทีนทอง ตอนนั่นน้องเน e a อยู่แทนบันลังทรงสุบินคว่ำฝันในนางเตียงงาสร้างนางนอนหลิ่นเย็นใจเล้วกระมวนอาซิตคู่อนขอบฝ่าผานางลากระตุนมาเล่าให้พาเพนฝ้าบันบอนตอนนั่งฝันบอได้นอนเตียงงาส่วนทิ่ตายข้าวนี้จักยีเจ้ามาหาวงองอาจมีอำนาจเจ้ากากระเลยตานดอกสังการให้ไปหางาสร้างอยู่กลางภายในเตือนหาเอางาขนาดใดมาใส่ดอกเข็เตียงมาให้จอม เมืองเจ้าสุพภตานอนนั่งสาเดเอพ่อพญ่าสังแลว้วพานกระดันดอกลุงไป เข้าป่าไม่ในระวางเจ็ดเดือนผ่านกลับไปตามคลองตามคลองปองทางเที่ยวเยืนเดินดงดันหลายวันอิ่ดอ่อนตอนสิเข่าเทีคุม้มพญาสร้างกะเหล้าฝันสัตว์ท่านเจ้าพญาสารสร้างป่าบอริว้านนับนาหลายล้านดอกอยูน่น้ำฝันว่าอักขีคุ้มไฟล้นลำโลกพญาสารสูกเสาหุนหอนมาทั่วากายต้านสร้างสร้างพวกหม่บอริบ้านในซุปไปหากลินทิ้นไก่ไผ่กวงพ่อดีเดือนสามขืนวัน เพ่นสิบหคำสั่งรัดท่านรักษาศิลอยู่สั่สงกลางดาวดอกผููเดียวตอนนั้นน่ายผ่านเข่าในหลุมพวกจอบหมอบอยู่พื้นพญาศ่างขาบเห็นแว่นสิมาเถิองเจ้าพญาศานสั่งไงผ่าน ย, ยกปืนขึ้นใ ส, ส่เสียงสะเทือนหอดดา ว, เ ว, าาวเวลานาวแม่นลันไกเวลานาวแม่นลันไกแสนบันไลเ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ บอนมันบันบอนความหมาย ชนสิมอละหน้าตาย่วนพายสานสร้างทั้งเพ่ม่างดินดอนงองไงสร้างขดไดพบพ่อนายผ่านลีดอกยูหลุมสร้างเหล้าอุ้มขึ้นขีคอพายถึงความตายพายสานบ่ไดข้องขึ้นใดจักพายนอนนอใสในายผ่านดันดุงมาหนอม้ารอบดันปองขาแหงเฮ้าผ่านกะเบ้าบนบ่พยัญชนะสุภัตตาหนองคานลูกพยัญาเมืองนั้นนางคานฝันอยากนอนเตียงงาสร้างตู่พะนางเงางว ขั้นบอ่อใดแกงสันผนางนองส่วนสิตายสร้างกระไฟน้ำตาให้ขนิ่งถึงแต่เลื่องเก่าสุพัรตาแก้มเจ้าเป็นเมียหน่อยดอกแห้งเฮา เขากันเข้าเป็นสร้างนั่งเมียคนที่สีก็สิมียเล่นกรรเฮาเดืหักงาไม้ให้เหืาดอกเดือสนหั่งหมดแดยงอยู่ต้นบดจักว่าสี่มียหยังหาว่าพัวสิยงสังจองเว้นเอาไว้อยากนอนเตียงงาซ่างตัวพนังมาบดสั่งมาหนอเฮาสีย่อโยใครจนถึงเท้าว่าทีเบืองบ่ให้เครื่องใจเจ้าสุภัตนาเมียเกา่าพญาสารโศกเศร้าข้าเหน่งเหลืองดอกเกาหลัง สร้างสังเจ้าผ่านป่าภูมายนิ่งเอาง่าเ้าเมื่อทว า, ายมอมพนางจุนได้สร้างกระบอนถึงไทยองค์อินผู้ลินลังสร้างเอาเลยทิพไผยุธงฝ่าดอกดวนมาสร้างกระตัดง่าไหา่นำตาลายลินลงสงสารน้องผู้เมียเก่า ความเจ็บปวดบอกให้เบาพญาศั่งได้คอให้ทนคิดรู้ตัวแต่นา่งนองผู้นั่งจองเว่นกรรมสร้างสัตว์ท่านจนได้เสียชีวิตก่อผนังเมียหน่อยจนน้ำตาไหลหยอยโตัวตายบ่ได้วาตัดเอาง่าขาดแล้วก็เลยตานต่อพานไผสิหันหาบได้ง่ามันไงเกินการพานเลยเห็ุอย่างใดใดพานสิหยกย่อไปได้สร้างเลยเขียนมนไห่ไนาพานแต่เลยอ่านเลียนเอา มุ่นสร้างศาลจังย่อนยกขึ้นได้ง่าสร้างกะจังเบาสร้างกะเบาตันสังนายพานบอกว่าง่าพ่ายศาลทรงมาทวายนองสุภัตตานอนห้องขนิ่งพายผู้ตายเป่าเนืเดือง่าผัวเก่านาดนองแต่เป็นสร้างในหัวนางพานเดามาถวายให้สุภัตตาได้หลิงล้ำพร้อมทั้งคําปากว่าพญ่สร้างผู้สรงมานําตาลินไหลล้นกินลู่โตนแต่สร้างใหญ่โอ้ โอ๋นอเห็นแต่งาน้องก็ให so ้น้ำตาหยดดอกเหงวไหลสร้างเดี๋ฝากลักไว้หลายอย่างไอ้น so ั่งฟังน้ำตาพังเพราะปานฝนได้บนน้ำลายครังท่วนคว่ำหลังขึ้นมาเว้าขะนิ่งน้ำแต่ผัวเก่าได้ยินคำปากเบาพญาสร้างได้สั่งมาเสียน้ำตาแต่นั่งหาเสียเสี้ยวพอมพมนอเวนนักน้ำสงสัยได้ตายพอมดอกพังกันสุภาพสิต์เพื่นว่านั่นกับ มันเล่าสนองกรรมลำให้เป็นผ้าซีดคิดให้ดีในเดอ้อป่ามีก่อนลำคือผูกขาลำไปมันมวนเป็นผ้าศิตล้วนล้วนควรให้แม่นหินตองไวยควรให้แม่นหินตองเหลืองคือทองเออเออ ฟ้าห้องโหนทั้งอุบวกรรมบานเก่าท้องเจริญเกิดอยู่บ้านหนองเต่าคิดเข็นเดคิดเข็นคำขอแม่เว้าคนเท่าเิ่นสังสอนคนเท่าเิ่นสังสอนแสนอาวอน แล้วเกิดเป็นคนคนนี้ต้องขันตีตั้งเทียงแย่าเอ็นยังยังใส่ไงปิ่นเปลี่ยนแปลสัจธรรมตรงมีแท้ในมูมวนมนุษย์บริสุขกายใจซื่อตรงค้องทีขันตีทํานําเจ้าอดเอาตั้งเต่าเทียมอัดกินเจ้าตั้งเกลืออดสาจิ้นเข่าเจ้าซ้ำพ่อเข่าไม้เหนียวอดส า, ฟฟ า, าเขียวฝนฝ่าทำหน้าเค็ดไหหากเสีได้นั่งบ้านกินตลุ่มมูปา่า อดเอาเดอ้ออดสาจำป่าลาซ้ามพ่อมูทิพรสอดสากินแกงเข็มเพื่อจะเข็นแกงเสนินอด ส, สาเป็นคนหน่อยซ้ำได้เป็นผู้ใหญ่อด ส, สาไปหาสิพอ่อภผ่สอยหาลุนอด ส, สากินเขาปุ้นซ้มพ่อมีเก่าเหลาอด ส, สาเอาย้ำถุกนั่งพ่นเก่าหินอด ส, สากินป่าลานอนหน้าเลี้ยงไกซ้มได้ตัดแนวไม้บัดได้เป็นผู้ใหญ่บานจังมาล่มมู ง, งวัว อดสาเป็นให้คว้าขุดหัวต่อนอนดาวเวลาหนาวพิงไฟแนะ่กินเหลาเขานั่งแก่แทนเหลาแม่หงอดสาไพาทองเป่งเดินดงของหาหมูอดสาบูเราห่างทางไม่ไล่ขีอดเอาเด้ออดกินซุปบักมีแทนหมูอาหารดีแนวมันมีวิตามินหมูซุมยำกุง้งคือไทยกุ้งหัสิพอรอเอาดูคุ้นแม่อดถือแพร่าดำซ้มพอม่อหมูไหม เพิ่นว่าไว้เก่ามูให้คันตีทาวามีความเขินแน่นอนจงดีแทอดนั่นเป็นของแก่พ้าให้ดีพอแปะเพียงเลียบเต้าอดเ ก, าเก่าเงินคงสีพอตอนคำํำก้ า, จ า, กกรราวจะกำเท่าทานโพธิสัตว์ถือข้องขัดพอต้นเตือนไว้โ้ยตอนสิบััดไล่นันมรณาพอสังให้เอาพอไปฝังบนภูเขาพอเว่าตนเจ้าเช้่ยวทั้งให้เจ้าผอมพมกระทําดี อดขันตีทำเพียนจังห่างมีดใดพ่อจะบิดดาไทยายไปก็คือว่าเท่าสุพมมะโมกขาเลยแบกศพพ่อได้ไปขึนบอนดอยหิวไนน้อยเการันบันพดเท่าก็อดขันตีคอยเศ้าถึงเก่าไปบอ่อเศ้าเสลมเป็นล้มตั้งเก่าเทือ่โอน โอยได้ก็พิกเกาปินปินขึ้นน่วยเขามือนั้นฝ้าอุดเอาฝนเหลาตกลิ้นเท่ามือหินลืมเสียมพ่องลืมยังผากลับขึ้นมาเกาขัาง้งลืมไฟล่มเปา่าบอกให้หมาบักหอกนั้นเป็นผู้เฝ้าสวเจ้าพ่อขิงเท่าแร้นวิ่งกลับเต่ามาเอาไฟบึนล่องไปตีนเขาลันดอยถึงเก่า เอาไฟได้กลับขึ้นมหาพอบืนก็บักเท่าสั้นปินขึ้นจังคอยถึงมาบักพอกนะั่นเป็นผู้น่งเฝ้าศบเจ้าพอบอ่มีนี้เท่าขันตีทําเพียนนับเอาจนถึงเก่า พผ่าไรเผาพิดาเจ้าบังเอิญล้มมาเป่าดังเก่าเรากะจังใดใจสู่บ่ถอยแต่เท้าขึ้นเขาคอยเก้าเถื่อเก้าที่ในราตรีกลางคืนคอยบินจนแล้วกลับมาแข่ถึงบ้านเหอนซานเป็นมือไมเมีก็ะต้อนหลับได้หาเขาแม่นสู้กินเมือยจุดวินโอ้ยอนา แล้วพ่อเสร็จสิ้นหอดคำก็เลยนอนกาวถึงตนผู้ท่อนพอพะอิงหยุดท้องฟ้าทันลงมาล่องเท้าสีวดทนได้บอ่อเท้าสิลืมคำพอหรือสีถือยืดมันเอาไวบ้บ่อไร่พะอินได้แปลงเพีดเป็นขอท่านได้มะขอนอนเฮื่นพองเศร้ากินเขาเท่าคุนเศร้าเฮื่นแล้วบาทสินอนจมว่าเมยหลยเดเจ็บแข้งขาทวาราหายแทะแห่งเ่ า, าสวยกับเนเปียง บีบเพเท้าอีกซ้ำน้ำแข็งน้ำขาเท้าบรรชาเมียหักสั่งการบล้อสาเขาบีบขาอยู่เฮือนน้อยเเ้าน้ำกันคอยคอยเเบาสีส อ, อยคือดำสิเทิดกันบางเท่านั้นคือเฮือนสีฟ้อนหยุดเป็นจังมีพิรุธต้องน้ำเมียกูแทะเท้ทาซูนแห้งจุนแหลแล่แขนยังดาบจับแล้วถอดดำพร้อมถึงเก่าก็เล่าถอย ข้ากระคิดขังคไอยเก่าเครื่องห้วรสาแต่บิดาเข้าสวนแหนนอนเปือนเจา้าเที่ยวเอาออกเอาเขาบ่มีเสาตั้งเก่าเถ้าจนเถ้อใข่แต่นาคาทางนังเงารับฉนหอดมือเ้าหลวงว่าเกี้ยวท้าเข็นท้าเลี้ยวเห็นเมียแพงแต่งย่งผ้าเขาบอกไปปุ๊บผัวเ่าของนั่งมากินแหนเมียกรแวะใสห่องมองแล้วกะบม่มีเปิดเพื่อผาจังสีพอแต่ตอนทองคําเอิญผัวนํามาดูตอนคําหุ้มผาผัวก็มาดูนาใส จด น, นี้จากเห็นแต่คำาพอไหวบาเทาลดซื้นใจคำโบราณวาไหวให้ตั้งต่อทำความดีมีขันติมานะจะหางมีเด้อเจ้าคำค้นเท่าสุภาษิตเลยเราว่าเก่าอุดเก่าเงินคงสี่พอตอนคำ เก้าแนวทำมีไายใดเก่าแนวยามตื่นมือหนึ่งให้เก่าดึงสิบดึงมั่นจังใดลูกเต่าเฮาใดโยกินเก่าที่ดินเก้าเล่าเข่าขายเอาได้เก่าสังมีเก่าขุนเก่าวังเก่าหันสา้นปุกต่อไว้ไผนันกะแวะเศร้าหยดพระธรรมกับมีเก่าเขาบอนนิผ่านผบ หาเลียงจบเข้นจิตตอนนี้ระเด้อป่าเก่าพ า, าราเก่ารนท้องคำมีเก่าซังมีเก่าบวกเก่ววาวังปา่าเก่าหอมอยู่บอลหมอนเก่าอังมโนองค์พุทธเอดสวรรค์ไว้ให้เฮาจะแปรียบเพียงเรื่องเก่าอดเก่ายิ่งนขอเตือนไว้ให้มันจำเคขนท่องคำโอ้ยโยเน กอนผู้สาวแกคื่รอยเกจนเท่าเจสลาหาผู้มาเลียเราน้านั่งกระด่เตานี่แต่เขยงอ่อนเ่งพ่อใดุ้รัมือนึงนั่นหมดเช่นเราไปหาทีต่จะคุ้มคุ้ยวาเสียวมาสอนขึ้นกะหามองถึงสนะแฝงผู้เสืยออกมานอนพอดถึงถนนใบบัตาคุยวาจ้าุยปัสัตาหลับไปแค่หยับไปนอนบอเจในสวม หาโน้มผาพื้นนี่ใบถ้าหอมเม็ดคือสมอยากใดอมขวักเกียกกระบอกสาวผู้ไทยเพิ่งเล่มมเเนล่าว่าแต่ต้องประการจริงสั่งเลือดชัขันตามใจเพ้อสู่อันพนังเา้าูนลอยกับเพิ่งลับเข่าซุนจินหมอเคีนก่อนหลอนบามังเห็ดอั่งค้อใดกล้อยเอาทั้งปากเฒ่าถึงเรากัขาโจ ก, าากับห้าโลเหติในใส่ใจผู้สาวเฒ่าเสี่ยงไปต้องซูนนม ตึงต่างๆยังกะปังงังลงพอผ่านมืงตึงเสียมเราเอื้อมปากกะเราจะถามทำ ม, มาของละซ่างอยู่นํานี่ยังน้องที่อยากลอง้องดึงลองใจผู้เสาวเจริญวันนี้เจริญช่างห่างบ่อนเดียวมาเลีเล้ยวๆปากกะนากําขาฟ้าแล้วเลี้ยวมือกะนกำกาขาจับพวกเสียงสีข้าก่อนลงคุยเล่นเห็นหูเล้วและจับมันดึงออกบอกว่าลุยขังสายกะเลยเป็นไฟคว้าเลี้ย ว, วบึ้ง ผู้าเฒ่าผว้อาหนำติมวัยวัหันใจขึ้นใหญ่เพราผ่านเช่นหน่วยมาเช่นหน่วยมาเช่นอโอ้เออแล้วน้ำมีล้างเชื้อผ่านเช็ดสีแดงแดงเข้ามาใส่ทั้งเอวตัวกะจับแนวมันอนลงถุยเล่น กจกระจับแล้วมันก่อนลงดินไปใหไปหน้าผัานกับขึ้นมาโจเฮ็ดขาลูอยู่หันกันเล่ากันมันเหี้ยไรฟังเสียงเพลินนบไทยว่าสาถูกไทยทึ่งภาษาถูกไทยทึ่งสาเกเซงนำเข่าในเชือดโจให้มันเข่าพ่อได้ยินความเมาทั้งเอวที่เช่นแดดกระแท่ลตงแกงเก้วบทโทรไทยจังมันฟูงจังมันคูงเออโว้ย แล้วพ่อจะนามบอกบุญเพิ่นก็เราดีใจจับอเอพคไหมชิดนี่ก่อนไล่มาให้ท่านไห น, นั่นเพิ่นเลยไปบุญเพิ่นมาสู้เพิ่นนั่นมาเอาอยัางขึ้นหนีไปเอาฟื้นสอนไถ่นอสิไปแน่กับล่องไปเตเพิเ่นมาึม้นเงะกับเงี่ยเล้วเพิ่นรบขึ้นมามเลี้วมึงแม่งทีให้เป็นตุ่มอยู่เบาเศร้าบาสีซ้าไปงั้นแม่จานขาเล่าบอหัวซาเลยวาสีออกมาสอนเพิ่นเลยหลอนไปขึน้น งินอาเ่าวโตอากรเลยบ่บ่าหังนนานดึงเสยเพื่นเลยายเอาได้แตจอดย้อยถึ่นมาเบงมาโวยน้อาหดเจ็เป็นเสล็อคืนอันนั่นก็เลยบาไม่ตอาอากเลยบ้าจ้าอีบ้าถิ่นควงแนวลืมไปเ็นของเพื่อจังมาคือแนวนั้นเพื่นกรตีอกกันหัวแห้งถิเจอเตือนค่อยไปเห็นบัเดินผูเรามาอนั่งสคืนนี้จังกระจอนวลในนั้น Oh. Yeah, yeah. ลาป้าปนแจมนองป้าปนคนเลยคนสังมางามคือดาวสังมาเขาคือดีอนชิวโกงลาฟอนมาอ่อนเด มาขาดลำนี้นี้ไปไหลาบาบดเพอาจนับอันไดใหลล่น ก, นกันคอมจังหวะล้มพัดกองใบ ไ, ไทยไม่ได้เห็ดไก่สีเอ็นเกียเ้ยงแขงแข็งก่อนตอดลมตองใบทองเครื่องตันโคกซันวยหนึ่งวยยหอนรอนลง คองแล้วคล้องจนคงพกอย่างทริงชาเลียงลมที่แก็งดี น, นหนุวยหวก็กระวายแก้มขานลมพัดีนไปเขาเอื่นลมพัดไทยมิบาดไวบาดโูนเสียงหนึ่งใสแคนเพชแถวสีอ่อนแดนควอนแดนนำลำ ใบถักหลับลมพัดไทยผีตียอนคือละครโขาเล่งเด่นเแนียกลูกเดียงเฮียงขังตัวขังซาฮีใบเพียงตันกิวลมพิวหิวปีไม่เดนที่สองนกเขาทองทันห้วยหวมคอนเฮียงผู้จังมันผู้ันธากหัวหนาาดิไกลยีหน่วยในไทยบ้านลมตองหล่อรอนมาแลวฟอนตรงแตงรงแดงเดินอีลมตรงติ่งแอดน้ำผาหานว่าลมพังตองใบตอง่องแดง บ้องแวงแอกขาขยย้อนหอดนาฟ้าหอมซาเบินสังหัวมันเขาคันลาคอนงาแลงย้ำแหลงกตะวังลงคอยงาแลงแขกงอนล้มพัดไปไพ่บานข่อยย้อนดอดนวยล้มพัดนวยข่อยอ่อนย้ำแลงบิดสะแขงไว้นายจิงไปขวยอ่ามีบทแล้วสลับซาจบาลมพัดไทยมอลำไงจันข่อยจังโไทยผินตกบทเต้นจริงจับขยับก่อนและจังสอซ้อนใส่ลกเน่าสอําทําล้อมไปทางไตลก เห็นหลายฮอนหมูหูใส่บอนคำ ม, ม่มข้อป่นส้างลืมบาหมูใส่บอนคำ ม, ม่มอปันส้างตืนบากบขาข่อยง่วงงาึเศ้าไวใบเดี๋ยเวเห็นไก่นใมันไก่เห็นส้างบาหมูลำยอกสู้เกี่ยวน้อยอ่อยสาวเข้าลำธีจากนีคืออายหมามาสูร้องอยู่กับเป็นให้เสียสนเคไปได้ท่อไร่สมพ่อควรส่วนลาไว้ก่อนท่อนั้น อลเออละฟั่งบางผมสิเบาเรืียงเมียสาวของในกูเบาน้าตูววัดดีทังพัดเน้อถ้ากันเหิมกันเหินน้ำาลังเงินดอนบัดพนนอนพนันนิ่งคิวขอยู่ขา สู่แต่ยาสายฝนทำตนเป็ี่ยนคุ้นน่ายมีเงินหลายหาเลรัญไพ่มีจังแมนคนไงนอกคุณน่ายบังกะโลบาทฝรังในขูกกับเมื่อนี้จากเพิ่นภูณคีณคือสิบกุลกากบาทเหมือนเน่าปันฐานสาธุแม่ฝ้าวัฏพากา บ, บาลให้มันตายสาแนพอลูกเอย คิดวีดคู่บ่คิดคือสิเถ็ดคือสิเด็ดเขาหันคืสิดังเสียงเสียงเจ้ากูบอนขับเรื่องคือสิกัวบ่คิดดีน้อยอ่อนเดินคนทีแกนตดดังเจ้าไป้ังความไผ่จังบอฟังความลายน้อยมั่งคั่งนั่งเป็นเสียมั่งมั่งอยากเป็นไผ่แนเอามือแย่บังน้อยค่อยค่อยุ่นลดนน้อยมั่งคังได้ยินเสียงตดดังไปหอดฟอนแกนเขาจะเลานดีหาเจ้ากับบ่เห็น น้อยจังซีแนวกีกติปลายคำแม่นของไขใดคือสีรวยน้อาน้อยขอรอลูกไข่อพืชสิดีพีแต่โตเราพร้อมจอยโซ่โหน่อยต้องเด้อตุยนั่นมันเมื่อซึ่มคู่ังควนสั่งตุยเมนขีเข้ากะวาคู่รังควนกะวาถูตุมตุยพตะลวยนีไหลจุ๊บไปใหญเฮือนนั้นเฮือนนี้ กไปใหญ่เงอนนั่นเงินนี้ได้เงินสามเงินสี่เงินถ่วยเงอนซ้ำเพื่อนบ่อใดกัดถามยังเหลือแน่บ่อผมลํามักท่อนตุยอ้วนในใจดีบอกทั้งอ้วนทั้งที่โตผมแห่งมัก สิเบคาดคาจากไข่ทอผู้เขาเจ้าอุ้มสูงคือสิตุ้มลูกดีคือสิตีลูกไข่คือสิปล่อยลูกไว้คือสิใา้ลูกไงสิางลูกไว้จะเที่ยวขึ้นทีหัวฟังเดือตุ้มหนังมันเนือซุ้มฟังเดือตุ้มหนังมันเนือซุ้มเจ้าผู้นั่งอุ้มสุมโอ้แฮชุมหอไข่ ไถ่เจ้าให่สองทางเป็ี่พึ่งบาคาม่าฟังล่ำยันตบาคงาเงาตุยเขาสี่ขั้วเขียว่าบเห็นมือห้มมืดบาทา่าถือกินตุยแห้งทองเลียงโดน ช่างตุยช่างแปดมันได้นอตุยหยักคอแต้ตุยไก่ไก่ข้าอโพดกุยเห็นสดตุยเข้าเพรนที่กินยนมาปุ่มทอเหล่าช่างตุยบวนเดียวเย้าช่างเบื้องให้รู้จนตุยในแสงตะวันแก่กาผ้าถุยดวนไปทอดทอมไม่ฟังก่อนก่อนฉันไครสัมพันธ์ต่างกันก่อนตุยคุยโซาแล้วก่อนลํามันจนคังคู่ฟังมากแล้วเส้นให้มาจองสมพ่อควรส่วนส่วนไว้เนื้ 哎，他能走。哦耶，呜呜，花蕊花黄，สวยฝนตกห้อยยามดินใน。花蕊花黄马赛，มันเป็นสีทุ่มทุผสีคุ้มผัม่ายหัวใจคน。 วางเหลดวางเว่อีอ้เออออเออเออโอ้เเออเ้อเ้อเออยอ้าอออเออเะอเ้เออเอออ้เอสเออเออเอ้จ้เออเเออ บุญเม่เคยขาดได้ขึ้นทีพ่ายสารไปตมบุญสมพานสิรลาะหิมนำน้ำบ่มีทุนสิมาสางเอาแพร่พอได้ขีนา่งเหลื่อเลาะหิมห้วนหิมซีนี่ใจหิมทอรลอกอ่อกไข่ตจใจหิมติงไปหลายผัดตกน้ำไปน้ำหิมคอยตาลิงนี่ใจหิมบ่อยต่อยลงคอยตาลิงสัน บ่ไม่หยังสิมาแกมแจมหิมพอได้ย่างเห็นนกยางนกเจ้าดังมันหยืนจ่องมันอยู่หิมมันหากินป่าน้อยง้อยหิมอยู่นํำหาตินั่งเหอยใจสิขาดทิดทอดนองบนหิมทรงเขาใส่ขง้ง เรอกลองตามหิมคอยห้อยตามหิ ม, น, มหน้ำไหลแดงย้ำเืงี้ยงที่สูกซ้ำมาคลำเร็วมันหลอกหิมลั่งวันเป็นดินน้อมวันหิมหอมไปใจหอมกอขีกอไผ่ล้อมหิ้มสิคขอนอยู่บ่อนใดหรอกล่องไปบ่ท่านสิน้นไปตามหิมบอลหิมแตกเป็นแก่แกคือจังหิมนีนองได้หลงห้องหำคะนิง รลอต่ำหิ้มไปน้ำหนามย้ำใดสิไปหอดเล่อหิ้มน้องลงจอด จ, จำจำจอดตอทะเลเห็นเรือแม่สินคา้าเดินไปโหลดอุดอังเลาอยิ้มฟังเห็นกระดองเตา่าพนฝนหน่ายมันเมยลง เลาะหิ้มขวงกันยั่งเหยหิมทะเลกะไกโ่โพธิมเป็นสีตูดอยู่คือจังหิมมีนองสิไปพ่ออยู่บ่อนใดอุกหัวใจไปดุนแล้วเด็ดน้าหิมจนบ้าเมือ่อยหิมเตยเตยคือจังหิมลดน่อยใจอันเมือมอม่อยมโน่เมื่อยมาโน โอ้ยวันนโอ้ยเสี่ยวหอยยันเด้จังไหนเน่เลาะหิมไปหิมหมอหิมกระท้อกรได้ว่าเลาะหิมดงหิมป่ามีแต่กกไผ่ขันตันไหลเลาะหิมสุดจะติมนะอายไปน้าหิมเห็นแต่ปองเลาะหิมหอยหิมน้องเห็นตาค้องใหญ่หน่อยฝืนค่อยกับม้นหิม สิ่งกิโลกะถือพอเห็นหิมดีสิได้สั่งติดฟังหิมสองฟังขั้นในหกกิโลทอพีสิโยีนางนองให้คิดเห็นกรรมงานเออเออออเออเอแล้วนั้น